วันนี้อร่อยจังเลยนะครับจริงด้วยยิ่งมีปะลาลาสับเนี่ยนะยิ่งอร่อยเด็ดไปเลยครับแม่แล้วก็มีนี่ปะลาล่าทรงเครื่องเนี่ยเยี่ยมไปเลยอร่อยอเก็กินให้อิ่มนะครับแม่พี่ยิ่งฉีกปะลาล้าเนี่ยกินให้ดูหน่อยสิทําไมเล่าเย็นกินไม่เป็นหรือไงฮะกินเป็น แต่เห็นพี่ยิ่งกินแล้วอร่อยกว่าเยอะเลยยมันก็เหมือนกันนั่นแหละข้าวป่าก็เคียเค้ยวๆแล้วก็กลืนไปใครกินก็อร่อยทั้งนั้นแหละไม่รู้สิยิ่งเห็นพี่ยิ่งกินอะไรก็ดูอร่อยไปหมดนะเพ้อเจอใหญ่แล้วไายเย็นน่ะจริงๆนะพี่ยิ่งเออกินเข้าไปเถอะนะไม่ต้องพูดมากเลยเออพี่ยิ่งลืมอะไรหรือเปล่าลืมอะไรล่ะก็เรื่องเมื่อคืนไงล่ะ พี่ฝันอะไรล่ะสะดุ้งยงเลยเออเกือบลืมแนะ่แม่ครับเมื่อคืนเนี้ยผมฝันแปลกจังเลยครับตื่นมายัาง น, นึกดูก็จิงงงเป็นไข่ตาแตกเลยฮะมันอะไรก็ไม่รู้นะฮะประหลาดเหลือเกินนะฮะประหลาดยังไงล่ะฝันประหลาด หรือฝันเห็นสัตว์ประหลาดหรือไงโอ๊ยถ้าฝันเห็นสัตว์ประหลาดนะเหรอผมและโชคตายไปแล้วละฮะแต่เนี่ย่มันไม่ใช่สัตว์ประหลาดอะไรหรอกแต่ว่าแปลกมากๆเลยครับแปลกยังไงล่ะเล่าให้ฟังสักทีสิพี่ยิ่งเออเออเออก็กำลังจะเล่าอยู่นี่ไงเย็นก็เฉยๆค่ะนะ้าก็ผมอยากฟังนี่นานะโยกโยกอยู่นั่นล่ะทออ้าวเล่ามาสิไอ้ยิ่ง คืออย่างนี้นะครับแม่ผมว่าฝันว่าผมฝันเห็นต้นข้าวออกรวงใหญ่มากเลยนะครับหนึ่งต้นแล้วก็พูดภาษาคนได้ด้วยนะครับแม่มันหัวเราะแล้วก็พูดกับต้นข้าวที่ออกรวงเล็กๆอีกตั้ง11ต้นต้นเล็กสิอต้นเนี่ยร้องอดครวญด้วยนะครับเหมือนเหมือนจะขอร้องต้นข้าวต้นใหญ่ให้อยู่เป็นที่พึ่งพาใส่นะครับ แล้วก็ทั้ง11ต้นก็คำนับต้นใหญ่นั่นต้นข้าวต้นใหญ่นั่นก็รับปากว่าจะช่วยแล้วก็อยู่เป็นที่พึ่งพาอาศัยต่อไปอแล้วแล้วยังมีอีกนะครับแม่อะไรอีกหรออีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าผมฝันเห็นดวงอาที่ถั่วร้อแล้วก็พูดกับผมด้วยแล้วก็ยังคำนับผมด้วยนะครับแล้วก็ยังมีดวงจันทร์อีกอะ่ะแล้วก็ยังมีดาวอีกสิบอ็ดดวงนะครับแม่ น่าจะมีดาวเที่ยมโผล่มาคํานับพี่หญิงด้วยเนะเฮ้ยเย็นนอะไม่ต้องเลยไม่ต้องมาแทรกเลยแม่ครับฝันแบบเนี้หมายความว่ายังไงครับไม่มีอะไรหรอกกินมากก็ฝันมากอย่าไปคิดมากเลยนะจริงนะครับแม่ไม่มีอะไรจริงหรครับไม่มีหรอกเชื่อแม่สิอ้าวเฮ้ยไอ้ยิงครับพอ่อโมจโมอยู่นั่นแหละเอาเป็นโตไปให้พี่เ้าได้แล้ว บาปเนี่ยคงจะหิวใส่กี่ไปแล้วแล้วมั้งครับจะไปเดี๋ยวนี้แหละครับอะปิ่นโตเลยครับแม่อยู่นี่จ้ะอ่ะรับปิ่นโตไปสิหนักนะพี่เราห้าคนกินเยอะต้องใส่ปิ่นโตเถวใหญ่สุดเลยเนะี่ะไม่งั้นไม่พอกินหรอกครับแม่อุ๊ยเดี๋ยไร่ี่ยิ่งครัแม่ผมเห็นพี่ยิ่งสะดุ้งโยนินนะอ๋อตกใจเสียงฟ้าร้องอะ ยังไม่ชินอีกหรือไงพี่ไม่รู้สิวันนี้ท้องฟ้าดูหม่นหมองยังไงก็ไม่รู้นะไม่มีอะไรหรอกนาอย่าคิดมากเลยแม่ครับแม่ออือืมวันนี้ไม่ไปไม่ได้เลยครับทำไมล่ะลูกท้องฟ้าดูน่ากลัวจงเลยครับแม่ผมน่อกลัวจะเป็นอันตรายนะครับไม่มีอะไรหรอกนาเรานับถือพระเจ้าพระเจ้าคุ้มครองเราให้ปลอดภัยอยู่แล้วล่ะจริงด้วยสิ ลระเจ้าทรงคุ้มครองลูกอยู่แล้วไปเถอะครับผมจะไปเดี๋ยวนี้ครับแม่ เราเดินลัดเลอกคันนาไปเรื่อยๆเพื่อจะไปหาพวกพี่ๆที่อยู่ทางด้านโน้ตด้านโน้นเป็นสวนผลไม้ท้องฟ้าสีหม่นน่ากลัวมากมีดีกาแล้วล่ะเราจะต้องภาวนาให้พระองค์ท่าน ท, านทรงคุ้มครองเราโดยเร็วในบทเพลงกระสับดาวิสพระองค์ทรงกล่าวไว้ว่า แม้ข้าพระองค์จะเดินไปบนหุบเขามัจจุราชข้าพระองค์ก็จะไม่กลัวอันตรายใดๆเพราะพระองค์เจ้าทรงสถิตยอยู่กับข้าพระองค์นั่นเองพระองค์ทรงให้การคุ้มครองข้าพระองค์ทุกย่างก้าวที่เดิน มันมาแล้วเว้ยโยมเอวีแบบเป็นตัวมาทีเลยข้าหิวจะตายอยู่แล้ะมั่วทำอะไรกันอยู่วะป่านนี้เพิ่งจะโผล่มาไอ้นี่มันต้องสั่งสอนกันหน่อยอมัง้งให้โบ ม, มาจัด ก, การไหมพี่เออเองยายจะอัดมันไงก็เชิญเลยนะแต่ให้ไอ้โยมนะมันเอาปีโตมาให้ข้าซะ ก, ก่อนเดี๋ยวมันเสือคว้างปีโตที่งออด ก, กินกันหมดนะได้เลยพี่แย้มเยวะเหอะเดยอะน้อยเอ็นอ น, อนุ่มแน่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 ฉันเป็นสุขพิเดษยิงเราชอบอะไรคล้ายๆกันก็ทำให้ฉันยิ่งฝัน ใจ ไม่ได้วังให้เธอมาสนใจเก็บความหวังเล็กๆจะใครคนหนึงที่อยากจะเจอเธอทุกทกวันไม่ได้วังให้เธอมารักกันไม่กละวังอะไรให้มากไายแค่เพียงหวังเล็กๆว่ามีสักครั้งที่จะคิดถึงกัน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 กินข้าอิ่มแล้วก็รียบเอาเป็นโตมาให้พวกพี่นี่แหละเองกินอิ่มแล้วค่อยมาเหรอวะทำไมเองไม่เอาเป็นโต ม, มาก่อนแล้วค่อยกลับไปกินเองไม่ต้องทำอะไรเลยมีหน้าที่เรียนหนังสืออย่างเดียวกินหลังพวกข้าเองจะตายไหมไอ้ยิ่งฮะคือว่าผมอ่ะเฮ้ส่งเป็นโต ม, มาสัทีสิวยชักช้าลำลายอยู่ได้ เฮ้ย น, นี่เอาไปนี่แย่างมันสเลยแคบิน่นโตทำไมต้องกระชากอย่างแรงๆอย่างนี้ด้วยเล่าทำไมไม่ได้กินหรือไงเฮ้ยปาหักดีเหรอไหนขอตอบปากหน่อยสินี่เนี่ ย, เ, ยเป็นไงฮะแค่เนี่ยทำไมต้องตบปากกันด้วยเล่าเอข้าพอจะจะตบปากเองมีอะไรหรือเปล่าฮะมีปัญหาไหม อยากโดนกําปั้นแทนตกเอาไห ม, มเดี๋ยวข้าจัดให้เอไม่เอาไม่เอาครับไม่เอาครับกลับมั่นใส่เองเหล้วเกินว่ะแล้วเนี่ยไปเอาเสื้อใครมาใส่ฮะแม่เย็บให้ผ ม, มนะครับอ๋อเมียน้อยของพ่อเย็บให้เองใส่งี้วยเหรอฮึถือว่าเท่นักหรือไงถึงได้ใส่ามาอวดพวกข้าฮะผมไม่ได้อวดพวกพี่นะครับไม่ได้อวดอะไรก็นี่ไงเดินไมปสวนน่ะเอายังใสามาเลยแบบเนี้ยไม่ให้ข้าเข้าใจว่าเอ็งต้องการอวด แล้วใจข้าน่ะเข้าใจว่ายังไงฮะคือว่าผมเท่ น, นักใช่มั้ยฮ ะ, ฮะขอกระชากเสื้อหน่อยสิว่า<ะ>เฮ้ยฮ<ะ>นี่นะเฮยเฮ้ย ขาดหมดแล้วเห็นมาเออเห็นเองมีปัญหาหรือไงฮะไอ้ยิง่งพี่ยอมพี่ยอมทำอย่างนี้อำไมถ้าพอใจะจะทำเองมีปัญหาหรืองไงฮะ เ, เ, เองเร้องไห้เหมือนผู้หญิงทำไมล้วะ